สุขภาพร่างกายลูกรักคนเราทุกคนย่อมต้องการมีอายุยืนความไม่มีโรคภัยด้วยกันทั้งนั้นแต่อายุจะยืนและโรคภัยจะไม่มีได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการดูแลสุขภาพร่างกายดีไม่ใช่เพียงแต่ต้องการแล้วก็ปล่อยปละละเลย สุขภาพร่างกายไปตามยถากรรมคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายดีย่อมมีโอกาสมีอายุยืนและไม่มีโรคภัยมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลลูกเองก็ควรระวังสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีอย่าโหมทำงานหนักจนเกินไปจนร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่าปล่อยให้ร่างกายทุดโทรมหรือปนเปื้จนอิ่มน้าสาราญเกินไป เพราะนั่นเป็นทางให้เกิดโรคได้ง่ายเป็นแล้วก็รักษายากในเรื่องดูแลสุขภาพนี้ทาตามที่หมอแนะนําเป็นดีที่สุดเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังบ้างนอนในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกรักษาจิตใจและอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดไม่หงุดหงิดง่ายไม่ทํางานหักโหมไม่ดื่มสุรายาเสพติดไม่อดนอนบ่อย ดังนี้เป็นต้นเมื่อทำได้สุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงสู้กับโรคภัยได้แล้วก็จะมีอายุยืนคนเราถ้ามีสุขภาพดีเสียแล้วก็เท่ากับมีต้นทุนในการดำเนินชีวิตสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองคล่องแคล่วว่องไวทำมาหากินได้สะดวกหากสุขภาพร่างกายอ่อนแอสามวันดีสีวันไข้เท่ากับมีอุปสรรคใหญ่ จะไม่สามารถต่อสู้กับงานได้บางครั้งก็ทำให้ท้อแท้ปล่อยวางและหมดอะไรตายยากในชีวิตได้รักษาสุขภาพร่างกายไว้ให้ดีตลอดไปก็ทำให้อะไรดีขึ้นได้มากสุขภาพจิตใจ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 สุขภาพจิตจะดีได้ก็ด้วยการรักษาอารมณ์ให้ดีอย่าให้อารมณ์เสียสิ่งที่จะทำให้อารมณ์เสียนั้นมีมากผ่านมาทางตาบ้างทางหูบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งคนเรามักจะรับอารมณ์ร้ายๆร้อนๆเข้าไปไว้ในจิตใจกันคนละมากๆแล้วเก็บสั่งสมไว้เรื่อยๆจนกลายเป็นกองขยะอารมณ์อยู่ในจิตใจคนที่มีขยะอารมณ์อยู่มาก สุขภาพจิตก็จะเสียไปมากคนที่มีสุขภาพจิตเสียมากก็มักจะมีอารมณ์เสียบ่อยหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัววิธีป้องกันม่ให้สุขภาพจิตเสียก็คืออย่าไปรับรู้เรื่องภายนอกให้มากนะักหากจำเป็นต้องรู้ก็อย่าไปรับมาเก็บเป็นอารมณ์ทั้งหมดรู้ก็ทาเป็นไม่รู้เสียบ้างเห็นทาเป็นไม่เห็นเสีบ้าง เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ใชบ้างทำแบบที่ท่านสอนไว้ว่าปิดตาทั้งคู่ปิดหูทั้งสองปิดปากใชบ้างนอนนั่งสบายก็ได้ทำได้ดังนี้จิตใจจะปลอดโปร่งเพราะปลอดมลพิษอารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ใส่ใจเก็บเอามาเป็นอารมณ์สุขภาพจิตก็จะดีเพราะไม่เครียด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 ปลูกดอกไม้ใบไม้ไว้ให้ร่มรื่นกำจัดแหล่งที่เป็นที่อาศัยของยุงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางไม่ทิ้งขยะเศษอาหารและสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลองไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่ารวมไปถึงการไม่ทำอะไรที่ทำให้เกิดมลพิษคือเกิดฝุ่นเกิดควันเกิดเสียงดังหรือว่าเกิดกลิ่นเหม็นให้เป็นที่เดือดร้อนคนอื่น การดูแลรักษาการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีและไม่ทำสิ่งแวดล้อมให้เสียหายก็ลว้วนเป็นประโยชน์แก่ตัวเราทั้งนั้นเมื่อจัดการสิ่งแวดล้อมดีบ้านก็จะน่าอยู่บริเวณบ้านก็จะสวยงามถนนหนทางจะร่มรื่นแม่น้ำลําคลองก็จะสะอาดบ้านเมืองจะปลอดมลพิษทั้งปวงเป็นเรื่องดีทั้งนั้นตรงกันข้ามถ้าเราไม่ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี มีแต่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีลงทุกวันคนก็จะเดือดร้อนจริงๆเพราะถูกสิ่งแวดล้อมลงโทษคือตัวเรานี่เองอ่านตัวให้ออกลูกรัก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 หรือว่าดำเนินการงานอย่างใดอย่างหนึง่งก็เช่นเดียวกันกับการเดินทางหรือการสร้างบ้านนั่นแหละอ่านตัวออกได้ชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีชีวิตและงานจะดำเนินไปได้ด้วยดีและความสำเร็จจะเกิดได้ง่ายและรวดเร็วไม่ผิดพลาดถ้าแม้ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองดีพอไปทา ง, งานอะไรก็จะเปะปะจับทางไม่ถูก เหมือนคนเดินทางโดยไร้แผนที่เหมือนคนสร้างบ้านโดยไร้แบบแบลนแม้จะไปได้ทำได้ก็เอาดีไม่ค่อยได้ทั้งจะเสียเวลาเสียแรงและทุนรอนมากกว่าด้วยดังนั้นก่อนที่จะทำกิจการใดควรศึกษาตัวเองให้ท่องแท้จนอ่านตัวเองออกชัดเจนเสียก่อนค่อยทำความบกพร่องผิดพลาดจะได้ไม่เกิดขึ้นเสียแต่เริ่มแรก บอกตัวให้ได้ลูกรักหลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สองคือบอกตัวให้ได้หมายความว่าตามปกติคนเรามักไม่ค่อยได้สอบสวนตัวเองหรือเตือนตัวเองกันสอนคนอื่นเตือนคนอื่นได้สารพัดสอนให้เขาทำอย่างนั้นเตือนให้เขาปฏิบัติอย่างนี้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 ตนแชร์เชียนใครจะเตือนให้ป่วยการธรรมดาของการทำงานย่อมผิดพลาดบกพร่องได้และแต่ละคนย่อมจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องกันได้ทุกคนแต่เมื่อพบข้อผิดพลาดบกพร่องแล้วก็สอนตัวเองเตือนตัวเองว่าไม่ควรทำอย่างนั้นอีกมันเตือนตัวเองบ่อยๆก็จะทำให้คิดแก้ไขปรับปรุงงานปรับปรุงตัวให้ดีให้ถูกต้อง เป็นทางให้เกิดความสำเร็จในโอกาสต่อไปได้ตรงกันข้ามหากคนอื่นเขาไม่เตือนไม่สอนและตัวเองก็สอนหรือว่าเตือนตัวเองไม่ได้หรือไม่ยอมสอนไม่ยอมเตือนเพราะคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็คงกูไม่กลับแล้วมีแต่จะมุ่งหน้าสู่หายนะท่าเดียวน่ากลัวซสจริงๆลูกควรจะฝึกเตือนตัวเองไว้เป็นประจำ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 หลักในการพัฒนาตัวเองประการที่สามคือใช้ตัวให้เป็นหมายความว่าคนเราต่างชอบให้คนอื่นมานิยมยกย่องตนกันทั้งนั้นแต่คนที่จะมีคนรักนับถือและยกย่องนั้นจะเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวคนขาดเสน่ห์จะมีใครมารักมานับถือเล่าวิธีสร้างเสน่ห์ให้กับคนรักอย่างหนึ่งก็คือใช้ตัวให้เป็นนี่เองการใช้ตัวให้เป็นคือการกระตุ้นเตือนตัวเอง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 ยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอีกส่วนหนึ่งด้วยคนที่ใช้ตัวเองเป็นอย่างนี้แหละที่เรียกว่าคนพัฒนาตัวเองคนอย่างนี้จะไม่ยอมอยู่นิ่งไม่ยอมอยู่เปล่าเห็นคนอื่นทำงานอะไรช่วยได้ก็เข้าช่วยทันทีหากว่าลูกต้องการความสาเร็จและเป็นคนมีเสน่ห์ก็ต้องใช้ตัวเองเป็นแบบนี้อย่านิ่งดูดายในการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยน้าใจ อย่าเป็นคนแรงน้ำใจอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวคนแรงน้ำใจคิดเอาแต่ได้เขาเรียกว่าเป็นคนมีเสนีย์ไม่น่านับถือแต่เป็นคนน่ารังเกียจสําหรับคนทั่วไปสร้างเสน่ห์ดีกว่าสร้างเสนีย์สร้างสเสน่ห์ น, นั้นไม่ยากนักดอกเพียงคอยเตือนใจตัวเองอย่าให้เป็นคนนิ่งดูได้ใช้ตัวให้เป็นเท่านั้นสเสน่ห์ก็จับไปทั้งตัวแล้ว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 หาได้เป็นเครื่องชูกำลังใจให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจและปราบรื่มไม่เครื่องชูกำลังหรือยาชูกำลังที่ทำให้พ่อแม่ทุกคนอยากจะมีชีวิตแต่นั่นก็เป็นเพียงความสบายใจเท่านั้นหาได้เป็นเครื่องชูกำลังให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจและปราบรื่นไม่เครื่องชูกำลังหรือยาชูกาลังที่ทาให้พ่อแม่ทุกคนอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูลูกหลานของตัวเองนาน ก็คือความกตันยูที่ลูกมีต่อพ่อแม่อย่างเดียวลูกที่ได้รับความสําเร็จความก้าวหน้ามีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมสังคมยกย่องถ้าลูกคนนั้นไม่มีความกตันยูต่อพ่อแม่ของตนพ่อแม่ของเขาจะแช่มชื่นเบิกบานสักเท่าไหร่ลูกที่ยากจนไร้เกียรติแต่มีความกตัญยูรักพ่อรักแม่เชื่อฟัง และดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ย่อมทำให้พ่อแม่ปลื้มใจและมีเรี่ยวแรงมีกําลังใจมากกว่าลูกเอ๋ยอันพ่อแม่นั้นถึงจะอดอยากปากแห้งถึงจะลาบากอย่างไรหากมีลูกที่กตันยูรู้คุณคอยดูแลปรนิบัติใกล้ชิดคอยถามสุขทุกข์ทำสิ่งที่ดีงามไม่ขัดใจเท่านี้ก็ทำให้พ่อแม่อายุยืนได้แล้ว ตรงกันข้ามพ่อแม่ที่มีลูกอากตันญยูไม่รู้คุณมีลูกที่ไม่ดูดำดูดีทอดทิ้งให้ว้าเวมีลูกอย่างนี้ก็เหมือนไม่มีนับว่าเป็นโชคร้ายของผู้เป็นพ่อแม่แท้ทีเดียวพ่อแม่ที่มีลูกอย่างนี้จะท้อแท้ซึมเศร้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ความอากตันญยูของลูกนั้นเป็นยาพิษสาหรับพ่อแม่ส่วนความกตัญญูของลูก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 จึงทำให้คำพูดนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือทั้งที่เรื่องที่ถูกปั้นขึ้นมานั้นไม่อาจพิสูจน์ได้หรือน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นจริงกลายเป็นว่าผู้รับฟังเชื่อคนพูดเป็นสำคัญเมื่อเชื่อคนพูดแล้วเรื่องที่เขาพูดออกมาก็ปล่อยเชื่อไปด้วยเรื่องอย่างนี้ทําลายคนมาเสียมากต่อมากแล้วเพื่อนต้องแตกแยกจากเพื่อนสามีภรรยาต้องมาทะเลาะกัน หรือแยกทางกันไปเจ้านายกับลูกน้องต้องบาดหมางกินใจกันคนอยู่ได้การมองหน้ากันไม่สนิทเหล่านี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของการปั้นน้ำเป็นตัวนี่เองเลือกแต่สิ่งที่ดี รักมีสุภาษิตเก่าบทหนึ่งความว่าอย่ารักเหงากว่าผมอย่ารักลมกว่าน้ําอย่ารักถ้ากว่าเรือนอย่ารักเดือนกว่าตะวันสุภาษิตบทนี้เป็นข้อเตือนสติสอนใจให้รู้จักเลือกในสิ่งที่ดีกว่าและมีประโยชน์กว่าคือผมดีกว่าเหาน้ําดีกว่าลมเรือนดีกว่าถ้าตะวันดีกว่าเดือน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 สิ่งใดมีประโยชน์สิ่งใดไม่มีประโยชน์สิ่งใดดีสิ่งใ ด, ด, งดเลวกว่ากันและรู้จักตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรเขาจะรอบคอบไม่ใจเร็วด่วนได้คิดหน้าคิดหลังก่อนเลือกก่อนตัดสินใจเสมอเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงเลือกไม่ค่อยผิดพลาดตรงกันข้ามผู้ไม่ฉลาดมากักจะด่วนตัดสินใจเลือกไม่พิจารณาให้ท่วนทีก่อน มองไม่ออกว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเลวจึงผิดพลาดบกพร่องอยู่เสมอข้อนี้ลูกระวังเข้าไว้เป็นดีถือคติโบราณข้างต้นไว้เป็นไม่เสียหายไม่ขาดทุนแน่แต่ถ้าลูกใจเร็วด่วนได้นอกจากจะไม่ได้ดีแล้วก็ยังจะพาให้เสียใจเมื่อเลือกผิดอีกด้วย ลูกรักคนเราต้องมีเพื่อนจะอยู่คนเดียวไม่ได้แม้ลูกเองก็มีเพื่อนคำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายลึกซึ้งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนเกลอหรือเพื่อนซี้ด้วยแล้วอาจทาให้เกิดความรู้สึกสนิทแนบแน่นยิ่งกว่าการเป็นพี่น้องเสอีก พระ อ, อาจตายแทนกันได้แต่เพื่อนที่นับว่าประเสริฐที่สุดก็คือเพื่อนแท้อันเพื่อนแท้นั้นก็คือเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากหรือในยามตกต่ํายังไปมาหาสู่ประจําเหมือนเดิมหรือบ่อยกว่าเดิมดังนั้นเมื่อต้องการจะคบหากับใครเป็นเพื่อนแท้ก็จําต้องดูให้แน่นอนว่าเขาเป็นเพื่อนประเภทใดพอจะเป็นเพื่อนแท้ได้หรือไม่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 เพื่อนอย่างนั้นควรเห็นอกเห็นใจมากกว่าจะไปซ้ำเติมเพื่อนที่ทอดทิ้งเพื่อนซ้ำเติมเพื่อนหรือคบกันเพราะผลประโยชน์นั้นเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เป็นได้แต่เพียงแค่คนรู้จักคุ้นเคยกันเท่านั้นอย่าว่าแต่จะเป็นเพื่อนแท้ไม่ได้เลยแม้จะถือว่าเป็นเพื่อนก็ยังยากเมื่อต้องการเพื่อนแท้ก็ต้องแสดงความเป็นเพื่อนแท้แก่เพื่อนก่อน ตัวเองยังเป็นเพื่อนแท้ของเพื่อนไม่ได้ใครเล่าเขาจะยอมมาเป็นเพื่อนแท้ของเราบอเกิดกำลังใจลูกรักเคยบอกลูกบ้างแล้วว่ากำลังใจเป็นกำลังภายใน ที่ทำให้คนเราเกิดมาเข้มแข็งอดทนไม่ท้อแท้ไม่หมดเรี่ยวแรงพร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยความมุ่งมั่นหากคนเราหมดกำลังใจหรือกำลังใจตกเสแล้วบางครั้งถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอยากตายไปเสียให้พ้นๆแม้คนที่แข็งแกร่งหากหมดกำลังใจเสีแล้วมือเท้าและสมองก็จะพลอยอ่อนปวกเปียกหมดกำลังไปด้วย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 เกิดมาจากการตามใจตัวเองยิ่งเราตามใจตัวเองมากเท่าไรก็จะยิ่งทุกยากมากขึ้นเท่านั้นตามใจตัวเองหนึ่งครั้งก็จะทุกหนึ่งครั้งตามใจตัวเองห้าครั้งก็จะทุกห้าครั้งคนที่ชอบตามใจตัวเองย่อมประสบความทุกข์ความผิดหวังความเดือดร้อนและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากล่าวคือเมื่อต้องการอะไรก็ต้องดิ้นรนสแสวงหา หามาได้แล้วก็ต้องดูแลรักษาห่วงเห็นไว้มีให้จากไปมีให้สิ้นไปเมื่อจากไปก็เป็นทุกข์เสียใจวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่จบสิ้นจึงไม่เป็นตัวของตัวเองนะักฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ตัวต้องการที่จริงคนเราไม่ควรตกอยู่ในอานาจของใจจนเกินไปเพราะใจคนเรานั้นพร่องอยู่เสมอถมให้เต็มได้ยาก ถ้าถามใจตัวเองก็ต้องทุกข์ยากร่ำไปเช่นตามใจปากก็ต้องลำบากไปหามาปรนเปรยเพราะปากมันร่ำร้องอยากจะกินของดีๆแปลกๆยิ่งขึ้นไปตามใจตาตามใจหูก็ต้องดิ้นรนไปดูไปฟังหรือไปหาสิ่งที่ตาอยากสิ่งที่หูอยากฟังมาปรนเปรยไม่รู้จักจบสิ้น ทำไมเราจะต้องมาเป็นทาตรับใช้ของใจของตาของหูจนเกินไปด้วยเล่าลูกเอ้ยหากเราต้องมาเดือดร้อนทุกยากเพราะชอบตามใจตัวเองอยู่ทำไมเราไม่ฝึกฝืนใจตัวเองดูบ้างเล่าลองฝึกให้เป็นนายของใจดูบ้างไม่ตามใจเสีบ้างใจอยากจะไปก็ลองฝืนไม่ไปตาอยากจะดูก็ลองฝืนไม่ดูหูอยากจะฟังก็ลองฝืนไม่ฟัง ฝืนได้บ่อยเข้าจะชินไปเองแหละไม่ตามใจได้ก็จะไม่เดือดร้อนมากและไม่สิ้นเปลืองมากล้วนแต่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนทั้งนั้นความยึดติดลูกรัก ชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมประสบกับความเดือดร้อนมากมายหลายอย่างในจํานวนความเดือดร้อนนั้นมีความเดือดร้อนเพราะความยึดติดของเรารวมอยู่ด้วยความยึดติดที่ว่านี้ก็คือการที่คนเราไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปเช่นยึดถือในคนในสิ่งของในหน้าที่การงานในความรู้ตลอดถึงความคิดของตัวเองจนเกินไปโดยยึดถือว่าคนนี้เป็นลูกของเรา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 เวลาไหนควรจะปล่อยก็ปล่อยบ้างเวลาไหนควรจะวางก็วางบ้างเวลาไหนควรจะแบกก็แบกกันไปทำได้อย่างนี้ก็จะพอทำให้หายใจหายคอได้สะดวกขึ้นมีความปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นและมีความสุขในชีวิตประจาวันได้บ้างดีกว่าไปแบกหรือยึดติดอยู่ตลอดเวลาวางได้บ้างก็จะมีสุขได้บ้างวางได้หมดก็จะเป็นสุขได้ทั้งหมดนี่แหละ คือสัจธรรมนะลูกเอ้ยความเย่อหยิ่งถือตัวลูกรักอันความเย่อหยิ่งถือตัวนั้นเคยบอกลูกบ้างแล้วแต่ก็อยากจะพูดซ้ำอีกกล่าวคือ ลูกต้องระวังอย่าเป็นคนยื้อยิงถือตัวอย่าดูถูกดูหมินคนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานและคนที่เราติดต่อด้วยรวมถึงคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเพราะความเยื่อยิงถือตัวเป็นกริยาที่ไม่งามเลยไม่มีใครดอกที่ชอบคนเย่อยิงถือตัวแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ชอบคนทำเช่นนั้นกริยาที่ถือว่าเป็นความเยื่อยิงถือตัวก็คือ การที่ชอบยกตัวข่มผู้อื่นชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าเด่นกว่าเขามีความรู้มีหน้าที่การงานมีฐานะทางการเงินดีกว่าเขาแล้วชอบวางตัวอยู่เหนือคนอื่นดูถูกดูหมิน่นหรือแสดงกริยาท่าทางรังเกียจคนที่ด้อยกว่าเป็นต้นคนที่แสดงกริยาอย่างนี้ออกมาผู้คนรอบข้างจะรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ และไม่อยากคบหาด้วยคนเย่อหยิ่งถือตัวมักจะถูกโดดเดี่ยวและต่อสู้ตามลำพังในเมื่อเดือดร้อนอะไรขึ้นมาความรู้ก็ดียศศักดิ์ก็ดีเงินทองก็ดีใช่จะช่วยเหลือคนเราให้รอดตัวหรือพ้นภัยได้ทุกอย่างและทุกคราวไม่บางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้เลยไมตรีจิตความเป็นเพื่อน และความไม่ถือตัวตังหากที่สามารถช่วยเราได้ทุกกรณีอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้คนเราจึงไม่ควรไปก่อความรังเกียจให้เกิดขึ้นแก่คนรอบข้างด้วยการไปดูหมิ่นถิ่นแครนเขาหรือว่าไปเหยียดหยามเขาสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูคำนี้สอนกันมานานแล้วล่ะลูก ชนะกันด้วยเหตุผลลูกรักการเอาชนะคัดค้านกันด้วยคําพูดหรือด้วยการทุ่มเถียงกันแม้จะเป็นไปด้วยเหตุผลบางครั้งก็ไม่อาจทําให้เหตุการณ์ต่างๆดีขึ้นได้อาจทําให้เสียเวลาและรังแต่จะทําให้แตกแ้าวกันยิ่งขึ้นเสียด้วยซ้ําคําพูดที่มีเหตุผลไม่ใช่ จะใช้ได้ทุกกล่าวทุกกรณีไปโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวความเข้าใจตรงกันความผ่อนหนักผ่อนเบาความนิ่งฟังด้วยความอดทนก็สามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้เหมือนกันแม้ดูจะไม่ค่อยมีเหตุผลเอาเสียเลยก็ตามแต่เมื่อต่างฝ่ายต่างก็ยอมเข้าใจกันและรอมชอมตกลงกันได้โดยสันติวิธีไม่แตกก้าวหรือเลิกร้างกันไป อย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลก็ได้มีสามีภรรยาหลายคู่ที่ต้องแยกทางกันเดินเพราะต่างก็ยึดถือเหตุผลมุ่งเอาชนะคัดการกันด้วยเหตุผลถือว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องอีกฝ่ายไม่มีเหตุผลยอมให้ไม่ได้ท้ายที่สุดก็ต้องแยกทางกันเหตุผลนั้นเป็นของดีแต่ต้องใช้ให้เหมาะสมกับกรณีและการเวลาด้วยในเมื่ออยู่ร่วมกันหรือทางานด้วยกัน การให้อภัยกันการยอมรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความอดทนอดกลั้นการไม่ถือสาในเรื่องเล็กน้อยแม้จะดูไม่ถูกต้องและไม่สมเหตุผลก็ตามแต่ถ้าสามารถประสานความสามคัคคีและป้องกันความแตกก้าได้ก็ยังดีกว่าการใช้เหตุผลแต่ทำให้แตกรก้าขึ้นในเรื่องความรักและในการครองเรือนนั้น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 สติหมายถึงความพินิจไตรตรองความนึกขึ้นได้ไม่หลงลืมสตินี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการดำเนินชีวิตคนเราต้องมีสติอยู่เสมอคนที่เผลอสติหรือขาดสติจะทำอะไรจะพูดอะไรก็มักผิดพลาดเผลอพลลืมโน่นลืมนี่เมื่อขาดสติก็ทำให้เสียหายร่าไปต้องมาเสียเวลาแก้ตัวหรือแก้ปัญหาภายหลัง ทำให้ยุ่งยากมากขึ้นการมีสติเท่ากับมีเครื่องป้องกันความผิดพลาดและความเสียหายไว้ชั้นต้นสตินั้นต้องนำปัญญาคือความรู้ความสามารถปัญญาจะต้องมีสติควบคุมอีกชั้นหนึ่งสติต้องเป็นตัวนำปัญญาเป็นตัวตามคนที่มีปัญญาฉลาดรอบรู้สารพัดแต่ขาดสติก็มักจะทาอะไรผีผาลม ไม่ทันคิดหรือไม่ได้คิดดันทุรังไปข้างหน้าเรื่อยไปพอเกิดผิดพลาดหรือเสียหายขึ้นมาก็มักจะบ่นเสียใจภายหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่ทําสิดีกว่าอะไรทำนองนี้ประเภทนี้เรียกว่าปัญญานำสติตามถ้ามีสตินำปัญญาตามทุกอย่างจะไม่เกิดความยุ่งยากเสียหายจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สติกับปัญญาเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากในการทำงานทุกอย่างและจะต้องให้มีคู่กันไปมีสติแต่ขาดปัญญาหรือมีปัญญาแต่ขาดสติก็เอาดีได้ยากโรคหูเบา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 ความจริงเมื่อใครมาพูดถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องวางใจเป็นกลางหนักแน่นไว้ก่อนเป็นดีที่สุดสามีภรรยาติติดเชื้อโรคหูเบามาจากคนอื่นต้องมาทะเลาะกันต้องมาแยกทางกันก็เพราะโรคนี้มีม า, มามากต่อมากแล้วเพื่อนต้องแตกจากเพื่อนพี่น้องแตกกันเพราะโรคหูเบาก็มีให้เห็นไม่น้อย เมื่อรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเมื่อมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังหูไวหูแม้ว่าคนที่พูดนั้นจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ก็ต้องไตร่ตรองให้ดีกรองเสก่อนเชื่อแต่ถ้าคนพูดเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือด้วยแล้วก็ตัดไปได้เลยไม่ต้องเก็บมาคิดให้รกสมองเพราะในโรคนี้มีคนที่ชอบมั่นน้ำเป็นตัว ชอบเห็นคนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่เป็นอันมากคนชอบเสียมเขาควายให้ชนกันคนที่ชอบทำลายคนอื่นด้วยคำพูดก็มีไม่น้อยจะต้องระวังคนพวกนี้เอาไว้ให้ดีหนักแน่นเข้าไว้ทำหูให้หนักเข้าไว้เป็นดีที่สุดการจัดอันดับความสำคัญ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 หากแต่คิดอะไรก่อนได้ก็ทำไปทั้งที่ยังไม่จำเป็นจะต้องทำเอาไว้ทำทีหลังก็ได้เป็นการให้ความสำคัญต่อสิ่งนั้นเกินไปโดยไม่จำเป็นส่วนเรื่องที่จำเป็นต้องทำก่อนกลับเห็นว่าไม่จำเป็นเก็บไว้ทำทีหลังเสียก็เลยพาให้วุ่นวายทำไม่สำเร็จบ้างทำไม่ทันบ้างดังนั้นการจัดอันดับความสาคัญของสิ่งที่ต้องจัดต้องทาจึงจาเป็นมาก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 แม้แต่คนในครอบครัวของเราคือพ่อแม่ลูกภรรยาสามีรวมไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเราก็ต้องจัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นก่อนหลังแม้เรื่องความเจ็บไข้ความเป็นอยู่ความอบอุ่นทางจิตใจของแต่ละคนก็ควรจัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นไว้เช่นกันว่าควรปฏิบัติแก่ใครก่อนมากน้อยอย่างไร ถ้าจัดอันดับได้ความสับสนวุ่นวายความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความร้าวฉานจะไม่เกิดขึ้นฝึกทำไว้ไม่เสียหายอะไรมีแต่ทำให้สบายใจและสบายหูโดยส่วนเดียวการให้กำลังใจกัน ลูกรักในยามที่คนเราได้รับความผิดหวังเกิดความท้อแท้หรือกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่หนักอกหนักใจสิ่งต้องการมากที่สุดขณะนั้นก็คือกำลังใจจากคนอื่นโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดกำลังใจเป็นยาบำรุงขนานวิเศษเป็นยากระตุ้นให้คนเราเกิดพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปทำให้ความท้อแท้สิ้นหวังหมดไปได้ เราเองยังต้องการกำลังใจจากคนอื่นแม้คนอื่นก็ต้องการกำลังใจจากเราเช่นกันฉะนั้นคนเราจึงควรให้กำลังใจแก่กันและกันไม่ใช่คอยแต่จะรับกำลังใจจากคนอื่นการให้กำลังใจแก่คนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องควรทำเป็นอย่างยิ่งควรฝึกทำให้เคยชินโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวคนที่เขาดีต่อเราช่วยเหลือเรามีน้ำใจต่อเรา เราต้องให้กำลังใจเขาสม่ำเสมออย่าให้ขาดการให้กำลังใจกันนั้นทำได้หลายอย่างเช่นให้ของกินของใช้ให้ของขวัญรางวัลแต่การให้กำลังใจที่สำคัญและดีที่สุดก็คือคำพูดการพูดจาดีพูดชมเชยยกย่องเมื่อเขาทำดีทำถูกถือว่าดีที่สุดหากเขาทำผิดพลาดไปการพูดให้โอกาสแกเขาใหม่ ไม่ดุด่าว่ากล่าวให้ได้อายแต่แนะนำวิธีทำที่ถูกต้องแก่เขาอย่างนี้ก็ถือว่าได้ให้กําลังใจเหมือนกันรวมไปถึงเมื่อเขาเกิดความผิดหวังท้อแท้เกิดความเสียใจก็พูดปลอบใจให้กําลังใจเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจทำตัวเป็นเพื่อนทุกของเขาก็เป็นเหตุให้ได้ไมตรตีต่อกันผิดกับการบัทอนกาลังใจคนอื่นด้วยคาพูด ซึ่งเป็นการไม่สร้างสรรสิ่งดีเลยมีแต่สร้างศัตรูอย่างเดียวให้กำลังใจคนดีกว่าบัทอรกำลังใจคนแน่แท้กตันยูต่อตัวเองลูกรัก ลูกคงเคยได้ยินพระท่านสอนให้เราเป็นคนกตัญญูรู้คุณคนเช่นกตัญญูต่อพ่อแม่กระตันยูต่อครูบาอาจารย์บ้างท่านว่าความกตันญูเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีเขาประพฤติปฏิบัติกันเป็นปกติแต่ความกตันยูนั้นควรจะทําแก่คนอื่นเท่านั้นหาไม่แต่ควรทําแก่ตัวเองด้วยคือเราต้องกตันยูต่อตัวเราเองด้วยกล่าวคือ อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่ามือเท้าแขนขาตาหูรวมไปถึงหัวใจล้วนมีบุญคุณต่อตัวเราทั้งสิ้นเราใช้งานเขาเราอาศัยเขาไปไหนมาไหนเขาช่วยเหลือเรามาตลอดตั้งแต่เกิดเราจึงควรกตัญญูต่ออวัยวะเหล่านี้ด้วยความกระตันยูต่ออวัยวะร่างกายเราสามารถทำได้โดยไม่ใช้เขาจนเกินกาลังให้เขาได้พักผ่อนบ้าง ดูแลเอาใจใส่อย่างดีบำรุงเลี้ยงเขาให้เติบโตแข็งแรงเข้าไว้หากเขาผิดปกติหรือเจ็บป่วยลงต้องรีบรักษาอย่าปล่อยให้เขาเจ็บป่วยทุกทรมานโดยขาดการเอาใจใส่เขาจะได้อยู่รับใช้เรานานๆไม่พิกลพิการหรือซุดโทมลงก่อนเวลาและอย่าทํำร้ายเขาด้วยการเสพของมึนเมาและยาเสพติดอันเป็นการบั่นทอนกําลังเขาเข้าไป ทำให้เขาอ่อนแอสุดโซมอย่านำเข้าไปเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค่ำจนไม่ได้พักผ่อนเพียงพอเป็นการทรมานเขาการทำให้อวัยวะต่างๆอ่อนแอสุดโซมไม่ได้รับการพักผ่อนไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรอย่างนี้ชื่อว่าไม่กระตันอยูต่อสังขารไม่กระตันอยูต่อตัวเองคนที่ไม่กระตัญญูต่อตัวเองเช่นนี้จะมีอายุไม่ยืนและ จะถูกโรคภัยเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอล้วนทำให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นชีวิตมีค่าลูกรักลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิต ไม่ว่าชีวิตของเราหรือชีวิตของใครล้วนมีค่าทั้งสิ้นมีค่าแก่ตัวเองและคนอื่นด้วยดังนั้นในศีลห้าท่านจึงยกเรื่องการเว้นจากการฆ่าสัตว์ไว้เป็นข้อต้นเพราะเห็นว่าชีวิตสำคัญนั่นเองจึงไม่ควรฆ่าไม่ควรเบียดเบียนชีวิตกันเมื่อลูกรู้ว่าชีวิตมีค่าอย่างนี้แล้วจึงควรรักษาธนุถนอมชีวิตให้ดี การกรตัญญูต่อตัวเองตามที่บอกมาแล้วเป็นการถนอมชีวิตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือพยายามให้ใช้ชีวิตให้มีค่าด้วยการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นให้มากที่สุดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามิใช้ใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเที่ยวเตรหาความสำราญหรือสมเลเทเมาหาแก่นสารชีวิตไม่ได้แล้วบอกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่า ไม่ใช่อย่างนั้นเลยใช้ชีวิตคุ้มค่าที่ถูกคือใช้ชีวิตไปทำประโยชน์ต่างหากการเอาอเปรียบคนอื่นลูกรักการที่เราอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั้นเราไม่ควรเอารัดเอาอเปรียบเขา การเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นการกระทําที่ไม่ดีเลยเป็นกริยาที่น่ารังเกียจแม้จะได้ผลประโยชน์อะไรก็ตามก็ไม่ควรกระทําคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบเขานั้นไม่มีใครชอบหรอกแม้เราเองก็ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเราเมื่อเราเองไม่ชอบก็ไม่ควรไปทําอย่างนี้กับใครอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหรือหยุ่มยิม้มเพื่อให้ตัวเองสบายแม้ว่าในบางครัง้ง เราสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้แต่เราก็ไม่ควรทำนอกจากไม่ทำแล้วยังควรจะช่วยเหลือเขาอีกด้วยอย่างนี้จึงจะเป็นคนน่าคบและน่านับถือดูเอาก็แล้วกันคนที่ชอบอารัตเอาเปรียบเพื่อนชอบอารัตเอาเปรียบพี่น้องนั้นน่ารังเกยียจแค่ไหนความมีน้ำใจต่อกันต่างหากที่ประเสริฐที่สุดจะเสียเปรียบเข้าไปบ้างก็ช่างเถอะ คิดซิว่าเราทำประโยชน์ให้เขาก็แล้วกันเราจะมีความสุขเองคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ากำลังทำร้ายความน่ารักน่าเชื่อถือในตัวเองลงไปทุกขณะไม่ควรคิดว่าการได้เปรียบคนอื่นและเอารัดเอาเปรียบคนอื่นได้นั้นเป็นความโก้เก๋หรือเป็นความสามารถอะไรแท้จริงเป็นการทาลายตัวเองทางอ้อมมากกว่า คนบางคนขาดความน่าเชื่อถือไปไม่มีใครเขายกย่องหรือเชื่อฟังเท่าที่ควรทั้งที่ตัวเองมีอะไรหลายอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นแต่ว่าขาดความน่าเชื่อถือไปเพราะเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่เองการผูกใจคน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 เพราะเขายอมทุ่มเทช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่ผลที่เขาได้รับก็คือเราไปพูดจาดูหมิ่นเขาบ้างเราไม่ยกย่องส่งเสริมเขาแต่ไปกดเขาไว้ไปยกย่องคนอื่นให้คนอื่นมาข่มเหงรังแกเขาบ้างเมื่อโดนอย่างนี้เข้าไม่ว่าใครก็ทนไม่ได้นานแม้แต่ตัวเราเองก็เจออย่างนี้บ้างก็ถอยเหมือนกันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรทาอย่างนั้น ต้องคอยดูว่าคนใกล้ชิดเราคนใดมีความจริงใจจงรักภักดีซื่อสัตย์ไม่มีนอกมีในเราก็ควรจะยกย่องชมเชยให้เกียรติให้กำลังใจสนับสนุนให้ก้าวหน้าสูงขึ้นให้โอกาสเขาทำงานตามสติกำลังของเขาเราดูอยู่ห่างๆคอยแนะนำตักเตือนเมื่อเห็นเขาจะพลาดเท่านี้ก็พอที่จะผูกมิดผูกมัดใจเขาไว้ได้แล้ว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 หรือปรับเปลี่ยนงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสียใหม่ก็จะพบความสำเร็จได้ในที่สุดปรับใดที่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อไปได้ก็ชื่อว่ายังไม่ล้มเหลวพระท่านสอนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์แม้ว่าสิ่งที่พยายามนั้นจะมีทางสำเร็จเพียงเล็กน้อยแต่ก็ชื่อว่าได้ใช้ความพยายามแล้ว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 ลูกรักเรื่องความกตัญญูนั้นความจริงไม่อยากจะพูดบ่อยนักเพราะเกรงว่าลูกจะหาว่าพ่อแม่เรียกร้องความกะตันยูจากลูกแต่ก็จำเป็นจะต้องบอกบ่อยๆจะเป็นผลดีกับตัวลูกเองกล่าวคือคนที่ขาดความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมือง น, นั้นถือได้ว่าเป็นผู้แพ้ภัยตัวเอง ประสบความเจริญได้ยากยิ่งคนอากตัญญูหรือคนเนรคุณด้วยแล้วท่านถือว่าเป็นคนบาปหนาทีเดียวดังที่พระท่านสอนไว้ได้นั่งหรือนอนที่เงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักกรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะผู้ปุถุสร้ายมิตรเป็นคนบาปคนที่เนรคุณต้นไม้ที่ตนเคยพึ่งพาอาศัยร่มเงา ท่านยังว่าเป็นคนประทุษร้ายมิตรและเป็นคนบาปเพราะทำร้ายได้แม้กระทั่งต้นไม้ที่มีบุญคุณแล้วคนละ่ะหากว่าเนรคุณต่อคนที่มีบุญคุณเขาจะเป็นคนบาปและเป็นคนเลวแค่ไหนคนเนรคุณนั้นย่อมได้รับผลเป็นความชั่วเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาลงโทษเลยแต่ฟ้าดินคือกรรมจะลงโทษเขาเองทาให้เขาแพ้ภัยตัวเองตลอดไป คนที่แพ้ภัยตัวเองนั้นจะทำอะไรก็จะติดขัดมีอุปสรรคไปหมดที่ควรได้ก็ไม่ได้ที่ไม่ควรเสียก็เสียจะได้อะไรแต่ละอย่างดูมันยากเย็นแสนเข็ญแท้ จ, จริงคนที่แพ้ภัยตัวเองอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้สึกตัวว่าทำไมตัวเองจึงเป็นแบบนี้กลับไปโทษคนอื่นโทษชะตากรรมโทษ ด, ดวงดาวไปโน่น ทั้งที่ตัวเองทำเอาไว้คือตัวเองเป็นคนอักตันยูเป็นคนปทุสร้ายมิตรหรือเป็นคนเนระคณคนแท้ๆการตอบแทนบุญคุณลูกรัก การตอบแทนบุญคุณคนที่มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งควรทำเป็นความดีผู้คุณยกย่องสารเสรินแต่การตอบแทนบุญคุนั้นต้องเป็นไปโดยชอบทำถูกต้องและไม่ก่อทุกข์ก่อเวรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเช่นต้องการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โดยการไปปล้นจี้หรือช่อโกงเขาเพื่อนําเงินสิ่งของมาให้พ่อแม่ โดยอ้างว่าทำเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่หรือยอมทําชั่วทำผิดเพื่อทดแทนบุญคุณกันโดยให้การสนับสนุนหรือทําผิดระเบียบต่างๆตามที่ผู้มีพระคุณขอร้องให้ช่วยอย่างนี้เรียกว่าตอบแทนพระคุณโดยไม่ถูกทำไม่น่านิยมยกย่องและไม่ควรทำเพราะการตอบแทนคุณคนที่ไม่ดี แต่มีบุญคุณกันด้วยการยกย่องสนับสนุนหรือยอมให้ได้เป็นใหญ่มีอำนาจจะกลายเป็นการส่งเสริมให้เข้าไปก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นการที่เราตอบแทนบุญคุณใครอย่างไรจะต้องพิจารณาดูให้ดีถ้าตอบแทนในทางที่ถูกต้องก็มีคุณตอบแทนในทางไม่ถูกต้องก็มีโทษอยู่เฉยเฉยไม่ตอบแทนเสียเลยดีกว่าแม้จะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ขาดทุน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 หลายๆวิธีขอให้การตอบแทนนั้นไม่ผิดธรรมเป็นใช้ได้สุขแท้หรือสุขเทียมลูกรักคนเราทุกวันนี้ต่างดิ้นรนขวนขวายหาเงินทองกันตัวเป็นเกลียว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 แต่ก็ต้องดูกันให้ลึกต่อไปว่าความสุขนั้นตกอยู่แก่ใครใครเป็นคนได้รับความสุขที่แท้จริงจากเงินทองหรือจากลาบยศที่สแสวงหากันในบางครอบครัวพ่อบ้านมุ่งแต่ทางานหาเงินให้ครอบครัวจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวปล่อยให้ภรรยาและลูกเต้าดูแลกันเองเงียบเงาอยู่ที่บ้านในบางครอบครัวพ่อบ้านไปมีบ้านเล็ก บ้านน้อยสำรองไว้ตังหากได้แต่ส่งเงินทองให้ภรรยาและลูกใช้เป็นเดือนๆือนไปโดยเข้าใจว่าภรรยาและลูกมีเงินใช้เพียงพอก็มีความสุขแล้วถ้าจะถามว่าความสุขที่พ่อบ้านหยิบยื่นให้นั้นเป็นความสุขแท้หรือความสุขเทียมก็ตอบได้ว่าเป็นความสุขเทียมแน่นอนภรรยาและลูกนั้นจะมีความสุขแท้ได้ที่ไหนจะมีก็แต่ความรัฐมทุก กินน้ำตาต่างข้าวความสุขที่ปะปนกับน้ำตาและความว้าเหวนั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรบ่เกิดแห่งความสุขที่แท้จริงในครอบครัวนั้นก็คือความรักความอบอุ่นและการได้อยู่กันพร้อมหน้าส่วนเงินทองลาบยศนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นหาความสุขแท้ให้ครอบครัวดีกว่าหาสุขเทียมให ครอบครัวจึงจะนับว่าเป็นครอบครัวที่แท้จริงประษาคนแก่ลูกรักเรื่องของคนแก่มักเป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งนี้เพราะวัยที่แตกต่างกัน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 อาจจะจูจี้ขี้บ่นไปบ้างลูกก็อย่าถือสาเพราะมันไม่ได้ตั้งใจทนรําคาญเอาหน่อยก็แล้วกันคนแก่ก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกคนนั่นแหละเห็นอะไรเป็นขวางหูขวางตาไปหมดไม่สใส่ใจเสบ้างก็ได้นิ่งฟังเฉยเฉยเสบ้างปล่อยให้พ่อแม่บ่นไปตามประษาคนแก่ก็ได้เหนื่อยหนักเขาก็หยุดไปเองแหละทำไงได้แล้วลูกเอ้ย การจู้จี้ขี้บน่นเขาว่ามันเป็นนิสัยประจาตัวของคนแก่ทุกคนหากได้บ่นออกมาบ้างได้ดุดดาลูกหลานบ้างมันทำให้คนแก่อายุยืนเพราะปอดได้ทำงานเลือดลมมันเดินคล่องเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดหนึ่งหากคนแก่หยุดบ่นเมื่อไหร่ลูกหลานจะเดือดร้อนเมื่อ น, นั้นเขาว่าอย่างนั้นลูกคอยดูต่อไปก็แล้วกัน ว่าจริงอย่างเขาว่าหรือไม่ง่ายๆตอนนี้ลูกก็ทนเอาหน่อยก็แล้วกันพ่อกับแม่จะบ่นลูกหลานลำคาญหูไปได้นานสักเท่าไหร่ฝากไว้ให้ลูกลูกรัก คงประจักษ์แจ้งจำคำเกื้อหนุนที่พ่อแม่เอ่อยเอื้อเกื้อการุนเป็นต้นทุนสร้างชีวิตเสริมกิจการขอจบคำพ่อแม่ไว้แค่นี้ฝากว่าจีมรดกตกลูกหลานช่วยกันจำขับเคี้ยวให้เชี่ยวชาญจะพ้นผ่านผ่า น, านภัยได้จำเรินขอให้ลูกพินิษทำคิดชอบ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 ยังปัตเสวัชชทัตสินังนิคไครยฮาวาทิงเมธาวิงตาทิสังปันดิตังพเัเชตาทิสังพระชะมานัสสะเสยโยโหตินะปาปิโยบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาช่วยชี้โทษคอยพูดห้ามปรามเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้และพึงคบผู้เป็นบัณฑิตเช่นนั้น เราเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีเสียเลยบัดนี้สาธุชนคนดีได้รับสารธรรมเตือนจิตให้คิดสกิดใจใฝ่ทาแต่กรรมดี แล้วน้อมแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ผู้เป็นพระในบ้านได้ดี